การนที่ผ้าทํามเดินปากจะสิ้นไปแล้วในวันนี้การที่เราเข้าอยู่วัดสาบำเพ็ญสิลภภวนามาได้ถึงกลางเดือนและขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นได้สองสัปดาห์ที่ผ่านพ้นมาก่อนนับว่าประโยชน์จะได้จักทุกท่านโดยเฉพาะที่ตั้งใจท่านทั้งหลายในฐานะเป็นอุบาสกแล้ว แยงตนเป็นบาชิการาบสิ้นแปดมีกำหนดองค์สิประการโดยกรรมบทโดยส ม, ม, มัะกรรมฐานปัจนากรรมฐานสร้างใจดัาเพลงสิ้นอย่างยอดยิ่งคือมีสติสรมปชัญญะกำหนดสติปัฏฐานสี้โดยกายานุปัจนาปติปัฏฐานข้อน นักปฏิบัติธรรมต้องรู้คำว่ากายในกายนอกกายในกายมีสติเคลื่อนย้ายกายคือตัวนั้นเป็นกายที่มีสติเราจะรู้หน้ากายเคลื่อนย้ายจะเดินเดินนั่งนอนจะเลี้ยวซ้ายและขวากำหนดติดให้มีสติไว้ทุกอิบทเป็น์อาการกํกำหนดศีลศีลของท่านจะได้มีอยู่เป็นประจาในลมหายใจเข้าออก จะเดินไปทางไหนก็ต้องมีลมหายใจเข้าออกก้อมีประกอบจิตในสติไว้นี่คือกายานุปัสสนาติปทานข้อหนเวทนานุปัสสนาติปทานข้อสองนั้นหมายความว่าทุกคนต้องผ่านข้อนี้ทางนั้นมีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นอุเบกขาเวทนาวางเฉยสติไม่ตั้งจุดก็ไม่หมายความว่าจะเข้าสู่ในสุด ของการมีสติสัมปชัญญะจิตก็ออกไปนอกประเด็นคือตายและจิรูป ก, กับนามเท่านั้นจิตก็เป็นอย่างอื่นคือเวทนาไม่สามารถจะทนต่อเหตุการณ์นั้นได้ตายก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นสุขเพราะจิตใจเป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ด้วยจิตมีสุขกายก็มีสุ ข, สขด้วยก็เรียกว่าเวทนามีสุขมีทุกข์ ต้องมีสติทั้งชัญญะกำหนดอยู่ตลอดเลยการตายเป็นทุกข์ก็เนื่องจากเราปวดเมื่อยปวดสกลกายตายมีทุกข์แต่แล้วก็จิตก็ไปจับอยู่ที่ทุกข์จิตก็เป็นทุกข์ไปด้วยอย่างนี้เรียกว่าเวาทนาทาอย่างไรวิธีทาก็การกำหนดเวทนาปวดหนอปวดหนอเป็นต้นเมื่อยหนอหรือเจ็บอันใดก็เกิดขึ้น อันนี้เราสร้างสติไว้ในเวทนานั้นมันก็แยกออกไปเป็นรูปนามขันห้าก็เป็นอารมณ์เทโล ก, กับนามกายจิตมีสติสัมิชัญญาด้ดยตัวกาหนดพระปฏิบัติต้องกำ บ, บนดตรงนี้ในเมื่อกาหนดได้จิดรู้จริงมันก็แยกออกมาจากเวทนาไม่ยึดมั่นในเวทนานั้นจิดก็เป็นกุศร ติดก็แยกออกมาขันห้าโูกนามก็เป็นอารมณ์ติด ก, ก็ไม่ไปยึดถือมันก็ไม่เป็นเวทนาไม่ปวดเมื่อยตรงนั้นทุกก็ดีสุข ก, ก็ดีดีใจก็ตามเสียใจก็ตามหน้าปฏิบัติต้องมีสติกำหนดปรงให้มันตกคำว่าปรงตกคือเรารู้แล้วเข้าใจแล้วความหมายของทุกเราเข้าใจแล้วเรามีสติธรรมชัญญะดีแล้วความทุกข์หายไปความสุขเข้ามาแทนชื่อ เรียกว่าเวทนานุปษัษนาเกิดขึ้นย้าเราไม่สุขไม่ทุกข์เราไม่มีสติสัมปชัญญะฐาะที่ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็กลายเป็นอุเบกขาวางเขยจิตมันเขยจิตไม่นำพาจิตมันเขยอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นสติก็ไม่มีจิตมันก็ออกไปไปเร็วไล่ในสังคมจิตใจก็เมื่อมองตาก็เมื่อไป เลยขาะสติทั้งปัญญะนักปฏิบัติต้องกำหนดรู้หนอรู้หนอที่ลิ้นติดนี้กําหนดได้มาได้ติดนั่นจะไม่พุ่งซ่านไปตามอารมณ์นั้นจิดก็อยู่ที่เพราะมีสตกควบคุมจิดอยู่เจิงเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเพาเวทนามีสามประการดางังกล่าวและขั้นตอนนอกนจากนั้นแล้วในเมื่อเวทนากําหนดไม่ได้ จิตมันก็ออกไปเรียกว่าจิตต า, านุปัฏฐานจิติปทานจิตเป็นธรรมช า, าติตองคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นเวลานานเหมือนเพื่ไปทึกเสียงต้องตั้งสติเรียกนะกาหนดคิดหนอคิดหนอที่นิ่งตีนหายใจยาวๆปฏิบัติอย่างนี้เดี๋ยวผนยะจิตนั่นไปซึกซ้อนที่ไหนไม่หลังไหลไปสู่จิตต่ํา ม, มันก็จะกลับมาอยู่ที่ของมันเข้าแรงของมันได้เหมือนไใจมันเปรียวฉะนั้น แล้วก็พังส่มวันแรกถึงมาปฏิบัติฉันก็เพลียวจิตมันก็คลุกคลุ้งคล้า น, นานาประการเกิดขึ้นแล้วมีสติธรรมชัญญะดีแล้วควบคุมจิตได้จิตมันก็อยู่ที่ค่อยๆเชื่ยงลงไปเหมือนไก่เปลียวฉะนั้นเชื่ยงลงไปเชื่ยงลงไปจิตก็คุ้นเคยสติก็คุ้นจากสติสติคุ้นจากจิตจิตคุ้นจากสติก็อยู่ทกวกคงคาคงศอกเป็นสมาธิ แล้วความปัญญาก็เกิดขึ้นทําให้เราเห็นแก้งห็งจริงแดงแฉในเรื่องอริสัตถ์ก็มองเห็นทุกข์สมุทัยนีหลดมรรคเกิดทุกข์แล้วเราก็ปฏิบัติได้ทุกข์นั่นก็หายไปความสุข ก, ก็มาแทนที่โดยสําทัญแก้งกระจขยท้องถ่ายเจ้าแล้วคือเดินตามมรรคเพราะเรามีสติสัมปชัญญะเป็นองค์มรรคปฏิบัติเรามีการสติ ก, กําหนดได้สัมปชัญญะก็รู้ตัวรู้ทุกข์ึ้นนี่แหละจิตนานุปัญนา ติดเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนมือคลัก็ไม่ได้เป็นะ แ, แสไฟเป็นอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นจากตนเองทุกประการก็ฉะนั้นเราต้องเข้าสึงอารมณ์ภาววัดอารมณ์เราทุกวันอาจารกําหนดติดมีสตินั่นเป็นการวัดอารมณ์และจิตใจก็อยู่คงวาคงศอกจิตใจคิดอย่างไรคือก็ไปควบคุมเรียกว่าวัดจิตวัดใจของเราทุกเวลาเรียกว่าจิตตานุ ป, ปัสสนาสิปทานเรากําหนดหน้าอย่างนี้เป็นตน้น เวทนาก็ดีสิตานุปัฏฐนาก็ดีธรรมานุปัฏฐนาก็ดีข้อสี่นี้เราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงว่าธรรมะที่ทำนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลดีหรือทั่วประการใดก็แพงกรรมก็จะปรากฏชัดในธรรมานุปัฏฐานสิกิปฐานก็กรรมอันใดที่ทํานี่ยคือกายกรรมสามวิธีกรรมสี่มโนกรรมสามกายกรรมสามพกรรมทางกายทั้งวาจาทางจิต บอกไว้ความคิศอยู่ในเวทนาขั้นตอนมันก็เกิดขึ้น อ, อย่างความคิดอย่างนั้นเรียกว่ายายกรรมสามตายทําบาปทางปานาตายทําบาปทางอจินาานาท า, ทานตายชําบาปตามมุปเวณีขั้นตอนก็เกิดขึ้นกายกรรมสามว่าจีกรรมตือยู่ในใจิตใจมันมีสติดีก็จะไม่พูดเพชรจะไม่พูดส่อเสียจะไม่พูดคำหยาบจะไม่พูดเพ้อเจแต่ประการใดถ้าขาสติท่านจะต้องพูดเพชร พูดต่อเสียดพูดคําหยาบเสมอพูดเพ้อเจอหาความมือสติไม่ได้อย่างนี้เป็นวจีกรรมสําสหรับทางวาจาของท่านมาโนกรรมก็จิต ด, ดีมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิต ด, ดีและความคิดก็ดีด้วยแล้วเราจะไม่ผูกพยาบาทข่าพเจวเวนจะคิดตามทานองคลองทำด้วยความถูกต้องเรียกว่ามาโนกรรมสาจิตใจของท่านกระเบิกบานเกิดขึ้นด้วยธรรมานุ ป, ปัสนา กสิปฐานทำในทำหมายความว่ามีกิจกรรมดีแล้วมีพฤติกรรมดีแลแสดงออกบอกได้ดีแลจิตนั่นก็เป็นกุศลจิตนั้นไม่เป็นอกุศลกรรมแต่ประการใดก็เกิดขึ้นในจิตใจของท่านเรียกว่ามโนกต ร, รมการจะทำด้วยความถูกต้องต้องมีการกำหนดว่ารู้หนอรู้หนอความรู้นี้ก็แก่แก่จิตของตอน แล้วเราก็จะแสดงออกบอกให้ผลงานออกมาว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเป็นกุศลหรืออกุศลถูกต้องตามทํานองครองธรรมหรือไม่เปรือการใดมันจะออกมาในล็อกนี้จึงเรียกว่าสติประฐานสิงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทางไสยเอศเดินทางไม่พลาดผิดถูกต้องแล้งนักปฏิบัติธรรมต้องกินน้อยนอนน้อ ย, อยพูดน้อยทําความเพียรมากอย่าไปคุยให้เสียอรมณ อย่าเดินเที่อวพุกท่าดในวัดจะประการใดท่านมีโอกาสน้อยเวลาของท่านมีประโยชน์เสียสลาจาก บ, บ้านมาเพียงวันสองวันแค่สมวันเจวันท่านจะให้เสียเวลาไปทำํำไมเล่าอุบาศกท่านอุบาสิกาทั้งหลายคิดว่าเวลามีประโยชน์กับชีวิตจิตใจวันของท่านท่านอย่าเสียเวลาอย่าไปนั่งคุยการให้มันเสียลงจะนั่งคุยการให้มันเสียเหยดผ่น ท่านจำไม่ได้กูสนอนเทสนานโดยชืแ้จแจงแสดงมานบัดนี้การเจริญสติสปัฏฐานถือว่าการเข้าสู่ภาวะโดยบำเพ็ญศีล ม, มีสติสมัมปชัญญะเป็นตปติท่านจะได้ยึดมั่นอยู่ในกรรมฐานโดยสมาธิภาวนาปัญญาของท่านจะได้ออกมักได้ปัญหาท่านจะไม่มีทุกข์ท่าจะมีแต่ความสุขไม่เสียผลไม่ความทุกข์ท่าจะมีแต่เมตตาไม่เสียโทสะ แต่ประการใดจะไม่มีอิาอสาลิศยาผู้ขยาบาลท่าปริเวณต่อท่านผูใดไว้ในใจเลยนี่เรียกว่าทำมานุ ป, ปัฏนาสตปัฏฐานเป็นการพิจารณาธรรมเป็นการพิจารณาด้วยความถูกต้องและน่าจะรู้อารมณ์เราว่าอารมณ์เสียอารมณ์ดีประการใดเป็นเรื่องทำมานุ ป, ปัสฐานสติปัฏฐานทำนอกทำในทำในใจมีการกระทําด้วยความถูกต้องจึงจะกําหนดรู้หนอเพื่อไม่ความไปประมาท กำหนดรู้หนอให้สาขาความรู้นั้นคืออริยสัจหมายความรู้แจ้งเห็นจริงเห็นจริงแห่งแจ้ ง, จงด้วยสัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามันออกมาในโลกนี้ความเห็นก็จะส่งกันกับความถูกต้องคนเราเห็นความเพียรและความผิดเพราจิตไม่เหมือนกันบางคนก็จิตดีบางคนก็ะจิตเร็วบางคนก็เห็นแะ่ใจคือจิตเล็วคือเห็นแต่ตัวเอง เอาข้าวพางตัวเองคือความติดใจเป็นคนเลวเพราะมีแต่คือเลวเอาความถูกต้องในเลี่ยงจิตใจและถูกใจของตอนคือเลวก็พอกูนบริบูรณ์อยู่ในใจิตใจก็เห็นว่าตัวเองถูกต้องขอใช้จิงไม่ถูกมาพิสูตกไปซะก่อนพระพุทธเจ้าช้าชัยมาพิสูจน์ในชีวิตของตอนมาสร้างอารมณ์ให้ดีมาพิสูจน์จิตใจของตอนบ้างว่าตนเองมีจิตใจเข้าพางตัวเองไหม จิตใจถูกต้องไหมหรือเห็นจัตัวประธานได้คนอื่นมีอย่างไรท่านจะเข้าใจอย่างไรก็ความเห็นตรงกันเพราะมีธรรมะคนมีธรรมะมยุละภาวนาจะมีเห็นอกเห็นใจกันจะรู้ใจกันจะรู้วายละจึตเห็นอกเห็นใจการจะมีตตาเมตตามีแต่ความปรารถนาดีคนนั้นจะไม่วุ่นวายคนนั้นจะไม่พุ้งจาคนนั้นจิตจะไม่ออกไปนอกประเด็นกอบเขภสิมา คนนั้นจะมีจิตเป็นผู้สอสร้างผู้สให้แก่ตนได้บุญก็มาแล้วก็เกิดความสกจากบุญอันเป็นความสกขที่แน่นอนคือประเภทหนึง่งอันจะเลี้ยงกรรมฐานาสร้างบุญให้แก่ตัวเองแต่การสงเคราะห์สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างโรงธรรมเป็นการสงเคราะห์นุเคราะหน์นุเมตตาเกิดขึ้นแต่นักภาวนาทาั้งนั้นนักภาวนาเกิดขึ้นแล้วท่านจะได้ผู้สอนแปลว่าสร้างใจรรม สร้างใจสร้างบุญสร้างใจสร้างกุศลไม่ใช่สร้างใจสร้างบุญโดยที่ทําำลายบาปทำลายบุญแต่มีบาปมาทําลายบุญอาจจะไม่มีคุณประโยชน์จากตัวท่านเองแต่เบื้การใดบางคนมานั่งกรรมฐ า, านไม่เอาไหนเลยมาเอาบาปมาเอาบาปปิดมาด้วยมานั่งกลุ้มใจในห้องกรรมฐานเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาเรื่องแฟนและเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่อง กุลบุตริดาเอามานั่งกลุ้มกกลุ้มใจก็คนไหนนั่งกลุ้ม อ, อกกลุ้มใจเอาเครื่องวัดนะวัดเอาความถูกต้องมาวัดท่านกลุ้นใจเลือกอะไรกําหนดเสียใจหนอดีใจหนอเกิดขึ้นในจิตใจขท่านท่านจะพบทำรร ม, มานนปรัชนาพบความถูกต้องเสียใจไปแล้วนั้นก็เอาเคืนไม่ได้จะไปเสียใจไว้ในใจเอาเคืน อ, อย่างไรความเสียใจก็มาเป็นหน่วยจิตทําให้จิตเศร้าหมอง เป็นบาปเป็นกรรมแต่ตัวเองเพราะฉะนั้นบาปกระ บ, บุญไม่ใช่มีใครทำให้เราทำของเราเองเราทำบาปเดือดร้อนเราก็มีเป็นบาปทำให้เราเดือดร้อนตกนรกทั้งเป็นบุญนี้ใครทำให้เราจะสมบุญคือการจเจริญสติกำหนดติดตลอดหรือการจะยืนเดินนัง่งนอนเดินจงกรมก็สามต้องยืนหนอห้าครั้งยืนให้มีสติกปฏิบัติทำต้องเอาตรงนี้ให้ได้ ยืนเนาะตั้งสติลงไปให้ท่านให้ง่า ย, ายตามติดดูกพรท่านทั้งหลายทําไม่ได้เนื่องจากว่าท่านเป็นคนไร้สติไม่มีเงินมีทองไม่มีทรัพย์ไม่มีคุณสมบัติเนื่องคนที่มีทรัพย์มีคุณสมบัติจะมีสติครบจะกําหนดอะไรก็ง่ายทําอะไรก็สบายทําอะไรก็สะดวกทุกประการคนที่ทํายากไม่ไง่ายก็คนมีบาป ไม่เดือดรุไม่เดือดสนใจไม่มีศรัทธาไม่มีสันทะขาดความพอใจในตัวเองและขาดความไปที่ถึงของตัวเองและตัวเองก็ไม่เป็นตัวเองหาที่พึ่งเรื่อยตายไปหาวัดโน้นหม่างวัดนี้หม่างหาที่พึ่งตัวเองแล้วตัวเองก็ไป็นที่พึ่งของตอนโดยอาจาจัตตายจงนูนาโถเท่านั้นคนไป็ที่พึ่งแต่เรามาปฏิบัตกิกรรมฐ า, านก็หาที่พึ่งหาที่พึ่งพาจิตก็ต้องพึ่งสติ กติก็พพ er ึงจตโบราณว่าทายเขาเปลือกิงาสานโบราณว่าน้าก็ได้พึ่งเรือเสือก็พึ่งาสาใสเรก็จิตคิดดูบ้างเขาก็ใจใจเขาใจเราใจเขาใจเราเอามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่เขาใจเขาใจเราใจเราใจเขาจะรู้ว่าลจิตใจเห็นโอจะไม่เกียดกันจาไม่พยาบาการจะไม่จะักกันเหยความปรารถนาด ยังนี่เรียกว่ากรรมฐานที่ถูกต้องคนเราจะรักด้วยเมตตาแต่สงสารคนนั่นจะสงสารคนนี้อยากจะช่วยเขาจนทุกข์อยากจะช่วยเขามีความสุขก็คือสุนี้เองสร้างตามตดีตามดีจะดนบันดาลให้ท่านเป็นคนดีตามชั่วจะโดนบันดาลให้ท่านเป็นคนชั่วให้ท่านเป็นคนลำบากให้ท่านเป็นคนทุกข์อยู่ร้อนนอนทุกข์จะไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ตลอดกาล อยู่ตรงนี้นักอุบาสกท่านอุบาสิากาทั้งหลายโปรดความหมายข้อนึ่ว่าเรามาเข้าวัดให้ได้สามารถวัดถูกคือที่อาที่สะดวกที่สบายสะอาดบ้านเราก็สะอาดหมดจดโลง่งเคลียร์โลงเรียนโลง่ลงละและโลง่งที่รับทานอ่างสะอาดที่หอ้องน้ําห้องเสียมสะอาดที่บ้านพุทธตอนบ้านคือภาวะบ้านคือไม่ลบละ บ้านคือความสะอาดเ จ, จ้านจะภาวนามีศีลสะอาดมีระยงมารยาดีก็เข้าทางวตถธรรมมี จ, จติตกรรมีธรรมะดีบ้านท่านจะสะอาดเองบ้านท่านจะหมดสดหน้าตาจะสวยสดงดงามตามระเบียบใจก็งามจิดไม่ซามแต่ประการใดแล้วท่านจะไปเข้าวัดอารมณ์กาหนดจิดมิสติอยู่ตลอดเวลารับรับอารมณ์วัดอารมณ์เหมือนประหลอดวัดไข้เช่นั้น ต้อลองวัดดูนะว่าอารมณ์เป็นอย่างไรขณะนี้อารมณ์ดีหรืออารมณ์ทั่วอารมณ์ร้ายจะกการใดตั้งหน้าตั้งตาแล้วก็เข้าวัดจิตถึงวัดที่สามวัดจิตวัดใจซื่งจิตตาหนุปัชนาีปัจฐานจิตมันออกจิตไม่บอกใครจิตนี้คือจิตใจไม่มีตัวตนมันเลี้ยงโลกเลี้ยงสึตเลี้ยงใจลูกไม่ได้เราเลี้ยงใจได้กายช่อด้านนูปาพธรรมมันเห็นง่ายด้านนามธรรมเห็นยาก เราจึงเห็นวาละจิตของลูกยากลูกมันคิดเลยเราก็ไม่รู้คิดดีเราก็ไม่เข้าใจเราจะเลี้ยงลูกส้วยจิตใจไม่ได้ต้องเลี้ยงจิตแล้วก่อนือเลี้ยงจิตแล้วก่อนรู้ภาวะจิตคืออารมณ์ของเราวัดอยู่ตลอดเรียกล่ากาหนดจิตไอ้กําหนดจิตเนี่ยเป็นการวัดจิตวัดใจว่าจิตใจอารมณ์เป็นประการใดวัดตัวนี้จูกต้องแล้วถ้ามีสิ้นวัตถุกธรรมเกิด บ้านท่านจะประเสริฐบ้านท่านจะสะอาดนักปราก็มาเกิดบ้านท่านมีทุกข์ไม่สนุกลยลามเล็กตกอตกน่ากัตว์นรกมาโกรดแลยจิต ก, ก็ลามบกใครจะมาเกิดเป็นลูกหลานบ้านนี้ต้องมาจากนรกมาล้างผาญสมบัติมาล้างผาญสมบัติ พ, ตพ่อแม่มาเถียงพ่อแม่มาทําลายพ่อแม่ให้มีทุกข์หาความจิตไม่ได้ยังตองโคมทุกวันนี้ไปทิ่นาอนุโมทนาและเสียใจด้วย บางคนไม่ค่อยใจการปฏิบัติธรรมไม่เคต้องการไปสวรนิพพานต้องการให้ท่านมีคุณสมบัติมีทรัพย์อันเปโสดพานั่งกรรมฐานตาเกิดมาใดท่านจะเรวยเงินเรือทองมากมายกายกองมากมายอยู่ตรงนี้นี่แหละพี่น้องที่รักบอกว่าท่าเจอแล้วในน้าในน้ํามีปลาในนาำมีข้าวในตัวมีอะไรในตัวมีอะไรในสท้อยงมีอะไร ไม่มีอะไรเลยกายกับจิตลูกกับนามไม่มีอะไรประดุษพัดแต่เราจะรื้อารมเ์ของเราเองว่าอารมณ์ดีหรืออารมเพชั่วอารมณ์รายจะตามใดท่านจะรู้แจ้งแต่จใจเป็นปัจเจกตังเวที่กับโพวิงดูฮีรู้ได้เฉพาะตัวท่านเองคนอื่นหาไม่รู้มาที่ตรงนี้นะที่เราจะมาทำเนี่ยทำนิสัยถ้าจกติดีก็มชั น, นยะนิสัยท่านจะดีขึ้นบางคนนิสัยไม่ดีลยบ่าบอข้อแตกหามหามพร้อม มันเอาเนื้อเอาใจแอประการใดมารยากรมาดีมากมีก็ซือสุขก็ไม่ได้เราก็มาปลูกนิสัยให้มีอศรีนมีศีละมีมารยาทมีวาทาศียพูดเป็นขอเป็นแล้วก็พูดด้วยความถูกต้องฟังก็เป็นพูดก็เป็นรูก็เป็นเห็นพยาลักฐานเห็นแวดอดแห่งกรรมจากธรรมฐานขันจธ์โลละมิฆาตตาสติสัมภัญญะมีมากในตัวท่านหนุ่มสาวมดาได จะคิดถึงแม่ก่อนแม่จ๋าจะคิดถึงพ่อจ๋าจะคิดถึงตาจ๋ายายจ๋าจะคิดถึงปู่จ๋าย่าจ๋าแต่เคลื่อนทันทีนึกถึงเราไม่ถึงตระกูลมงละมไมสถึงชาติภูมิมาติภูมิของตอตลอดรายการนี่ลำมิชัดลำเล็กตัวเองสงสารตัวเองมากไม่น่าจะกินเล้าเมาโซลาเร่งการพนันไม่น่าจะท เ, าเที่ยวเสสัวหวัวหาแต่ประการใด ไม่น่าจะทําอย่างนี้ไม่น่าจะทําอย่างนั้นเกิดลำนึก่ะลําลนึกถึงตัวเองได้น่าสงสารตัวเองและจะสร้างความดีให้ยิ่งยวดวดขันต่อไปด้วยสติสัมปัญญะขอนี้ลํานึก่าแล้วจะรู้ก่อดเห็นกรรมเมื่อตอนว่าเราทำกรรมอะไรไว้มันจะมาบอกในจิตใจในอารมณ์ของเราอารมณ์มันจะกระตุอารมณ์มันจะมีนิมิตเครื่องหมายในกรรมนิมิตว่าพรวงนี้รถจะชนมะเรนจะตาย กรรมนิมิตมันจะบอกเราได้แน่นอนนิมิตของกรรมกรรมนิมิตเครื่องหมายนิมิตแปลว่าเครื่องหมายกรรมเรีว่าการกระทามิไเครื่องหมายบอกขยอทราบว่าเราได้ฆ่าไายเราได้ฆ่าเป็ดเราได้ฆ่าหัวฆ่าควายมันจะมีกรรมนิมิตมาทางกรรมฐ า, านบางคนก็ตั้งเต้นเละเต้นแชงเอาหัวชนขวาแล้วเอาหน้าชนชนชนมุง้งตลอดเลยการตุ้งนางตุ้งแท่นเพราะกรรมวิธีที่เถรทามา ใจร้อนหลนเหมือนนรกไฟเผาขอนเผาใจให้สมองนั่นคือนรกเราจะรู้ตัวเองว่าขณะนี้อารมณ์ไม่ดีมันเผาอะไอย่างไรราคตาินาโทสตินาราคตินาโทสตินาอาทิตย์สังอาทิตสังเผาอย่างดวงประทิตดเผาอย่างร้อนค้มอยู่ในใจตลอดเว ล, ลาร้อนคลุ้มยามข้หน่มตื่นนอนร้อเลยเหวียเมียก็นอน ย้อนล้มร่วมพนมเต น, นอนนี่แหละน้ําค้างตกยามท่อลามกและลามักมากได้มากได้ไดอยู่ในใจิตายของตอนแล้วนี่แหละมีความหมายมากศาลาณนะาเฉียงหนุ่มน้อยมองเมียงไปที่หน้าศาลาเงามองอะไรหรือมองเห็นเหตุการณ์ทื่หรือเราวมองเฉลียงหน้าศาลาในบรรณาศาลาที่มาเรียนวิชามานั่งบําเพ็ญศีล นมนอนมองเมียงปฏินาถลายามน้ําค้างตกน้ําค้างตกอ ก, อกทุ่มยามเพ่อหนุ่มเตือนนอนเตือนนอนมันทุ่มชื่นใจคืออารมณ์ยามพ่อหนุ่มเตือนนอน น, น, อ น, น, น, อออน้ํนนนนค า, นนนาค้างมันชุ่มพ่อหนุ่มเตือนนอนแล้วก็ทื่นชมชื่นใจเพราะน้ําค้างมันชุ่มเหมือนธรรมะที่ไม่ลดละภาวนายามเลย ยามอันตรายเราเกิดเคลื่อนตื่นขึ้นแล้วอันตรายก็มาหาลาโมกสุกปรกฝันก็ลายนิมิตกรรมก็มาหาเราเราจะต้องตายเราจะต้องทนทุกข์ทรมานเราจะกลับไปนอนหลังคููฟ้าหน้าสุดินไม่ได้เราก็หลังนอนทุกข์หาความสุขไม่ได้นี่แหละอยู่ร้อนแล้วแถมนอนทกข์สุขไม่ตือนเศษไม่เป็นข อ, อฝากไว้ยังนี้ การเจริญวิปัสนากรรมฐานต้องการจะสร้างสุขอนต้องการจะแก้ปัญหาทุกข์ต้องการจะสร้างบรมสกุลเป็นพระมีทานดูผู้นาการเราจะสร้างฐานะเราจะสร้างฐานทัพเราจะให้มีเงินมีของมากมายแต่กององค์สมเด็จตะสมมาสมเด็จทราบพวกเรานั้นสอนคนให้ให้รวยสอนคนให้สวยสอนคนให้ดีสอนคนให้มีปัญญาไม่สอนให้คนจนรวยด้วยเมตตา รวยด้วยทานรวยด้วยอัชญาสายรวยด้วยน้ำใจคือนิสัยปัจจัยของคนเกิดนิสัยการนั่งกรมาธิทาให้เกิดนิสัยดีตัวอย่างที่ดีงามของตนและสารพูชนต่อไปแล้วเราจะมีแต่เมตตาปรานีให้ก็ได้ยิ่งให้ของดีเข้าไปได้ของดีกลับคืนมาก็เกิดทานรวยเกิดสวยเป็นินเมตสติสัมชัญญะเมื่อดายสวยมานั้น ราคดาสติสัมปชัญญะเมื่อดายเร็วเมื่อ น, นั้นและขาดความสวยขาดความรวยเพราะไม่มีศีลไม่สวยไม่รวยด้วยแถมหน้าตาเบื่งบ้างเหมือนยักษจิตใจก็ไม่ลดละโดยโมหะอจริตสัจโยโทสะจริตโมพะจริตเกิดขึ้นตะตอนราพัทิณาโทสัทิน า, โ, นาโมหัทินาไวาสามกองเผาเสมอจะเลิศเลิกควรทำและกรรมาฐา น, นไหนเราเกิดมาจะต้องตาย ลายตายมือยาดมดบอกให้คือเสือกพระรหังรู้อยาสุดสุดคุณพระพุทธังก็กําลังเวทานาทุกข์ละเอย่ยท่านจะทนไม่ไหวท่านจะติดใจตกท่านจะไปนรกทุกข์ตึงปฏิการขาทาตายจะต้องไปนรกหมกไามเพราะมันนรกทั้งเป็นนะร่วม อ, อกร่วมใายยามเพระหนุ่มตื่นนอนก็ไม่มีความสุขเพราะมีทุกข์าจยามแม่สาวตื่นนอนมีแต่ความเบื่อนายในชีวิตหรือ มีทหารยานะใส่ใจชิกุณสตรีสมัยนี้เป็นที่หน้าอนุโมทนาและเป็นที่หน้าเสียใจและเป็นที่หน้าดนดีและปีดาต่อท่านผู้มีพัฒมะต่อทาา่านที่ไร้ธรรมะขาดคุณค่าของเทวิขาดสติสัมปชัญญะมาลดละเปนานยืยนหนอต้องทอาําให้ได้ขอฝากไว้ขยังไม่ได้อย่าเพิ่งกลับไม่ได้เลยไปเลยมาวันสองวันไม่ได้เลยเลยอย่าเพิ่งกลับต้องเอาไปชิ้นหนึ่งเพื่อเย็ยนหนอให้ได้ตั้งสติอาล้อมให้ดี อย่างนั้นยืนเนาะแก้ปัญหาได้ในอารมณ์นี้จิตใจท่านก็ดีขั้นก็วัดจิตได้ถึงวัดที่สาวัดจิตวัดใจวัดนอกวัดในจิตใจท่านดีวัดนอกก็ดีวัดในก็ดีท่านจะดีนอกดีในดีเนาะเปิดขึ้นองกับตัวท่านเองโดยเฉพาะนี่ที่อ่านตัวออกเรจะได้บอกตัวหน้าจะได้าช้ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตายท่านจะได้ขายิีวิตท่านจะได้มีชอบ ผมจะได้ประกอบกุศลได้ผลงานเป็นหลักฐานทีการตุงนี่เป็นจุดของกรรมฐ า, านบางคนมาหนะ้กนากรรมฐานเดินรอบวัดเลยไปคุยคนโน้นมากูนี่ท่านจะขาดทุนยําได้ยับแต่ําให้ได้อะไรท่านติดล้อมออกไหมนะแต่จะได้แต่ความหายานะคือ ต, ตัวท่านไปขอเจริญพร อ, อย่างนั้นทรงสร้างบุญทําให้เกิดวันตกตรงนี้เองเพราะฉะนั้นทําให้ได้แล้วการเดินตรงกรมขวาอย่างหนอซ้าอย่างหนอก็ยังมีแบบเดินสวนสนาม เดินไปห้องน้ําเดินช้าๆได้ไหมเดินไปรับทานอาหารเดินให้าๆเต็จอารมณ์ไว้รับรองเจ็วันท่านรู้เรื่องอาทีตเจ็ดวันไม่รู้เรื่องมันเปลียงเวลาท่านมาวัดอารมณ์คนอืน่นไม่ไดา ว, วัดอารมณ์เมื่อตอนไม่วัดจิตใจของเราพาไปวัดจิกใจคนอื่นไปดูคนอื่นทํำไมต้องดูตัวเรีตัวเราล้ลางกุศลให้แต่ตัวเราอย่างนี้เป็นตน้นถึงจะได้ประโยชน์ตรงนี้ไม่ใช่มานั่งแบะแสะ แ้วมานั่งแบะแสเรียกว่าแบะแสแล้วมาปวนขยศาสตร์แบะแสไม่เหนียวไม่เหนียวแน่นแมแบะแสใช้ไม้ดาอีกคุณภาพไม่มีแบะแสแล้วไหนปวนขยะศาสตร์เขาเหนเียวแดงมันจะแน่นลงามันจะก่วนไม่ได้ป่วนล้วนออกไปเลยเลยเอามาเป็นผงเลยเออกมาไป็นขี้เป็นอนสามสัคีความดีเอขี้ขาพไม่ได้เพราะท่านไม่มีกุศลท่านไม่มีบุญองค์คาวัฒนาสนาะบุญวัสนสาสร้างได้ไม่ได้ รางมูนสะสมจบร่างสมุดในการาตตาธรรมะกรรมถานละเว้นสาติตโทษสงวนเทีย้ยอย่าไปสนใจกับใครเลยเราเสียเวลาทำบ้านมาใช่ไหมแต่ทําไมม า, จาสจะสนมันจะเดินทั่วพลาทั่วพลาดแล้วถ้าจะขาทุนทิเวศตรงนี้น่ยนักกรรมาฐานไม่ควรจะทําแล้วก็บอกรุ่มใจหลวงพ่อ้าจะแก้ปัญหาก็ตัวเองสร้างปัญหาหลวงพอ่อแก้ไม่ได้ หลงพ่อเพียงบอกแนวทางเหมือนต า, าขาโคตรจะพุทธเจ้าเสด็จพ่อของเราบอกแนะแนวทางเราจะเดินไม่เดินตามใจสันห์ายราเดินก็ได้ไม่เดินก็ได้ไม่ห้ามเดินไปโนรกก็ได้เดินไปสวรรค์ก็ได้เดินไปเป็นอาสุรก า, ายก็ได้เป็นยักษ์ก็ได้พูดซาวห้ามไม่ได้กลับมือถือแขนท่านไม่ไดาเพียงก็บอกคนทางแต่ยมรู้คุทางแล้วไม่เดินก็ช่วยไม่ได้ มีหุนทางแล้วไม่เดินพาแหกทางเดินออกไปข้างทางผูกูออกไปเหยียบหนามเหยียบฝากมีแ้่อุปสรรคตลอดเลการเดินนะแม่เดินพายชมพ้าพายแม่พายมันจะสายตลาดตะวันสายบัวจะเน่าตะวันก็คลายลงไปตลาดก็วายสายบัวก็เน่าแล้วทำไมไม่พายอ๋อพายไม่ได้หลวงพอ่อ โซก็ไม่แก่ลูกูแจก็ไม่ไขติดตาคูแจและโซไม่ไปไหนเลยอยู่ตรงนั้นตลอดกาลแล้วก็เอาดีไม่ได้ด้านที่กล่าวมาแล้วตลาดวายใช้บัวนาตะวันก็สายทายมาพรับตะวันก็่องแสงเงินแสงทองสองล่าสรางึางงามทรงฟ้าขั้วจกวักรวาลโลกแสงสว่างแล้วก็ลีละอาทิตย์ก็เลี้ยวลัด อักเะดงคดตกแล้วหนึ่งวันชีวิตเราก็หมดไปหนึ่งวันแล้วไหนเล่าตะวันยังอยู่นี่มันวายใช้บัวนเน่าแล้วตะวันก็สายทายมาพรับแล้วก็ตกอับในชีวิตของทายมาพรับขอฝากญาติโยมไว้จะคิดโดยทุนาการเดินต้อง้มน้อยไปห้องน้ำเดินไปสํารวมต้งวารวังสักเจ็ดวันท่านจะได้ผล ท่านจำลิกขาดได้เน่ยแต่ท่านนักปฏิบัติขาดทุนตรงนี้ท่านเดินผึดผัดก็สํารวมเลยเดินจงกลมไปเลยก็ไปซ่วงไปห้องน้ำเดินจงกลมไปแบบกรรมฐานแล้วถ่ายอุจจระปัสสวะตั้งสติไว้จะหยิบอะไรก็หยิบชา้าๆเพื่อดูอิเลบทคู่เหยียดยเหยียดขาเมกิยะชันอคูคเหยียดเหยียดขาเมกิยะจะตอบได้ไหม เพราะ่ารตอบไม่ได้เพราะมาเด็กําหนดอิยาบทถ้าโปรโมดอิญาบทมันจะตอบได้แต่อนิจจังถุกขังอนัตตามีสามิยะผมจะบอกได้ครับพองหนอมีกิเลยยะยบหนอมีกิริยะตอบไม่ได้เพราะหุ้ดายจึงไม่ตอบเพราะเนื่องจากไม่เด็สติไม่เด็กําหนดจิตขาดสติจึงไม่รู้ว่ามีกิเลยะยกหนอมีกิริยะโยม ไม่เคยเฉลิมเกอดคำว่าไม่สัลเกิแสดงว่าท่านไม่มีสัมปชัญญะท่านไม่รู้ตัวท่านจึงขาดการสเฉลิมคนเราถึนหยาบคายไม่เหมือนกันสังเกตการคือตัวรู้ตัวเข้าใจตัวสัมปชัญญะกับพระท้องหนอยกหนอไปอาเดียวกันไหมขวาย่างหนอซ้ายอย่างหนอไปอันเดียวกันไหยจิดกาหนดขวากับผิดกําหนดซ้ายดวงเดียวกันไหมผิดกําหนดเสียงหนอกับผิดกำหนดเห็นหนอดวงเดียวกันไหย ท่านจะรู้เองถามตอบไม่ได้ก็แสดงว่าท่านไม่มีสัมปชัญญะปปะพระท่านไม่ได้ระลึกก่อนท่านขาดสติไปท่านเป็นขาดความท่านเพตสดังตาท่านจําไม่มีข่าวก้องไม่มีทํานองทำข่าวกล้องข่าวกลั่นท่านจะต้องแน่ใจแสดงออกมาจะจุกจันทุกท่านโดยภาวนานี่ตรงนี้เนี่ยของหนอเมฆเหรืยอไม่รู้ยกหนอมีเหรืยอไม่รู้ร้อยอะไรเพราะไม่ได้เอาสติไว้จุดทอง เอาข้าือว่าคือปากปากอ้าปากพอง้าพองยบพองเนาะพองเนอะยบหนอะใครก็ทําได้สำน้าจะเสียเวลามากอย่าให้เวลาหมดไปเปล่าเลยทีเวทกอดคาเวลาคือเวทถืออายุท่านก็ต้องหมดไปตามเวลาแล้วแม่น้ำํำละวาลือไหลผ่านนักทีหาวันกลับมาไม่ได้ทีเวทก็หมดไปเวลาก็หมดไปทายมาพับแล้ว จะตกอับหรือจะโชคดีประการใดอยู่ตรงนี้พี่น้องริลป์นั้นอย่าให้เสียเวลาาหกข่านมีเวลาสุสาวิตทําใหญ่แลยอย่าคุยการได้กําไรมากเหมือนอย่างร้านค้าเปิดคู่กันหน่าร้านโจงการไอ้ร้านหนึ่งขายเอาขายเอาไอ้ร้านหนึ่งนั่งคุยการขายก็ไม่นายเลยอีไหนดีกันขอถามอีไหนดีกันบาร้านนนนขายเอาขายเอาขายเอ า, า, เอามาเก็บเงินไม่พักไอ้ร้านนี้นั่งคุยถูกบุหรี่ กินเล้าเมายาเมาเนื้อใต้แล้วขายได้ไหมขายไม่ได้เน้นเมื่อขายไม่ได้สรุปจบรายการในวันนั้นถามร้านค้าสองสองร้านร้านไหนได้เงินมากร้านไหนจะกําไรร้านไหนขาดทุนมันก็อยู่ตรงนี้นะรีบขายไม่ได้นะมานั่งคุยทําไมก็ขายดีขายดีขายดีขายดีร่ำรวยสวยดีกะมังมีสิทธิ์ศกสนุกในการค้าสนุกในการหาวิชา นักสนุกในการได้กํำไรชีวิตยอยู่ตรงนี้ญาติโยมอุบาสกบาสิกานุ่มเนสาวงนเขาขาวทุกคนย้ายขาดทุนเรามาสร้างบุญสร้างบุญตนนั่นแหละเขาสาวยังไม่ทันแก่ลาบลองกําไรมากมายเรามาสร้างทำลายชีวิตกันตอนแก่จะตายแล้วมันจะไม่ได้อะไรขอาฝากไว้และหนูจะไปบอกว่าฉันข่าวคุณย่าก่อนให้ข่าวคุณตาคุณยายก่อนแล้วก็มานั่งกรรมฐาน เอาละขอถามตอบทุกคนในใจให้แกจะตายก่อนเพื่อไปสร้าง้าน้าแกจะตายก่อนถึงจะไปทำนาจะได้ข่าวไหมจะได้ข่าวไม่แกจะตายเนี้ยไอคนที่มันค้าขายมาก่อนมันจะดีกว่าเราหรือเราดีกว่าเขาคิดเอาเองแนละ้วอย่าให้เวลามันเปล่าที่ไชีวิตมีค่าเวลามีประโยชน์เอาเวลามาทำประโยชน์ของชีวิตให้มีค่า ราคาคนจะสูงขึ้นเพราะมีราคาค่าของทวีเดี๋ยวสร้างความดีให้กับจิตสายของตอนนี่แหะเป็นผลงานของกรรมฐานไม่เคยมานั่งคุยกันนะออกมาที่ไม่ต้องการคุยเรื่องนักกรรมฐานอย่าหาลองหาว่าหล้องพ่อใจดำํำล้องพ่อไม่อยากคุยเพราะอะไรตัวยอมจะเสียอารมณ์แล้วห้ามดูหนังสือไปห้องสมุดทฏิบัติอย่างเดียวซิให้มันได้บางแห่งได้ข่าวมาเมื่อเช้า ยอมคนหนึ่งไปนั่งปฏิบัติที่วัดไหนไม่ทราบพระให้ทําครัวทุกวันแล้ไปจ่ายตลาดทุกวันและออกซางด้วยนี่มีนา่งกรรมฐานแจ้งเลยนะแจ้งเลยเนะี่ยทครัวด้วยไปจ่ายตลาดด้วยแล้วก็เลี้ยงพระด้วยแล้วก็นางกรรมฐานด้วยจะดาลายสําหรับนั่งกรรมาฐานขอกรรมฐานนี้ต้องนั่งเลยต้องทำเลยกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทําความเพียรใ้มากไม่ต้องทําอย่างอื่นสาธ์ตีพ่อต้องวนสักเจ็ดวันทําไม่ได้เลย เวลาก่อนเจดวันไปยังไงเวลาไปเที่ยวเกลเซสนวนหัวนาอาเภพบว่าในจิตสายให้ใจเศ้ามองไอ้นี่จะล้างเทพให้สะอาดไม่มีจิตใจเราหมองตลอดเลยตามนี่หรือกรรมาฐานขอฝากไว้เมื่อเช้าเข้ามาพูดให้ฟังบอกไปนั่งกรร ม, มาฐานสักเจ็ดวันทางบ้านก็ไม่มีคนสามีก็งองแงงขาก็ไม่ดีพระองค์นั้นบอกว่าโ ย, ขายมขอลากนี่อยู่เป็นเดือนเลยโยต่อบ้าง ก็ทำไมถ้าไม่ดีล่ะอยู่กับพระองค์นั่นแล้วทําครัวให้สังขานแล้วกระจายสตางค์ด้วยนี่มาชาวก็มาเล่าเสี้ยงใจด้วยกรรมาฐานทำเครัวกรรมาฐานไปตลาดนี่ขณะที่เขาตาตสี่เพราะกังวลสา ม, มีก็ป่วยแล้วลูกก็ไม่มีขายเกียคตาขายเลยมาตักเขาอย่างนี้เขาฝากไว้นี่เหลือกรรมาฐานกรรมาฐานทำงานนะเดี๋ยวต้องนั่งปฏิญาณต้นข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติทชอ ตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปจะไม่ทําอย่างนั้นละปาร์ติีิพ่อกงวลอย่าไปทําอะไรได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยเลยได้ไอ้เรื่องบาบาบบอไปเลยนี่ก็ยังยึ่นะเอาเอากลับไปเรอเอาเรื่องทุนงนนะงงคนอืน่นได้ไหมเอาแต่เรื่องตัวเองตัวเองก็มีทุกมาแล้วทุกในตัวเองก็มากทมานางกรรมฐานเพื่อมาแก้ไขทุกไม่ใช่ไปเอาทุกคนอืน่นมาเองเอาทุกจอในวัดหรือเปล่า ฝากจองพวคนอื่นมาสมสมท็อปถมในใจเจ็ใชายก็เอาหมอเอาดีไม่ได้นมจา๋าสาวจา๋าทำให้มันจริงหน่อยสตรีก็จริงนมก็จริงทํทำให้จริงทุกสิ่งเป็นชายโสบพาเป็นหญิงโสภีหน้าตาดูดีในอนาคตท่านจะลุ่งโลดโทษณาการสามีครอบครัวมีผู้พัวโตเมียก็ดีทุกคนจะได้คนดีมีปัญญาจะได้คู่วาสนา นำพาส่งผลกุศลเสติสามีภรรยาจะได้เป็นเพื่อนคู่คิดจะได้เป็นมิตรกูบันการไม่จะเป็นคู่ร้างคู่ฝาล์เพราะมีกรรมฐานด้วยกันนี่แล้วรับรองสร้างสมอบลงมาดีจะเป็นสามีภรรยาคู่คิดคู่ชีวิตชีวาแล้วก็พาการไปทึ้งเมรัเลยตายเช่นเดยกันแต่แล้วก็ต้องตายจากกันไปด้วยความรักจากไปด้วยความดีไปสวรรค์ เ, เน่ยอยู่ตรงนี้ ขอฝากไว้วันนี้วันอุโบสถเดี๋ยวก็มีงานขานณออูติขอฝากท่านนักกรรมฐ า, านเมื่อกินน้อยนอนน้อ ย, อยกินน้อยหมายความว่ากระไรไม่ใจหวงรับทานเที่ยวให้ละเอียบสร้างสติลเอียบอะไรกำหนดสร้างสติกำหนดสร้างบุญให้มีความสุขทำไรชาจะได้สติไม่ฟันเฟือนจิตใจไม่เลือนรางแต่ประการใด ต้องการชาเพื่อต้องการตั้งสติต้องการเตรียมตัวชาหงไว้คอยชาอย่าหักพ้าดโดยทุกเท่าว้าจะได้พลาดองเล่มงามสามสวาดเล่มเดียวชุนเขียวเช่นนี้เอาดูอย่างไรถ้าจะได้ลายเป็นหลักขอฝากนักกรรมฐานมาด้วยอยากคุยกันขอฝากถ้าจะคุยไม่ว่าห้าไม่ได้ก็คุยไปเถอะคุยไปคุยมาเท้าความหลังแล้วไปนั่งสมาธิท่านจะได้บาป การจะเลื่องเก่ามาเล่ากันใหม่มันจะเห็นมิจกรรมอนิ้มิจมาบอ่อคอแต่เข้ามาอยู่ในสะสมในรวงติดในหัวใจเลยก็ได้เลื่องได้ลาวอะไรขอฝากไว้ติตใจเนี่ยทำยากให้สงบยากล่ะเตินท่านทาไมต้องทำความเช่นนั้นัความมุ่นหวายกับตัวเองการจะไม่ได้ถอนจะไม่ไดานิสงแต่ประการได้ขอฝากไว้เอาไปคิดโดยทุนาการศาสร์ยิ่งพ่นี่ยาังวล จากมาจากบ้านแล้วเสียเวลาทางบ้านกะลาความสุกจากบ้านมาแล้วมาหาความสุขคือบุญต้องตังนาตั้งตาภาพเพียนเวียนข้นขวายหุ่ยเยะนะทุกขมัดเจติละล่วงทุกขไปได้เพราะความเพียรปฏิบัติธรรมตอนนั้นนัดตีสันติพลังสุขขังสุขเอื่อญจะเหมือนความส ง, งบไม่มีหน้าสามาเทปไปล่มหหายภายในท่านยอมจะล่มเย็นแตนโตกด้วยปราศจากทุกข์ด้วยความส ง, งบ ไม่ปรารอบอืน่นอย่าไปคุยกันให้มันเสียหน่วยคกิดเสี ย, เ, ยวเวลาคาขายชีวิตรีบดค้าขายเรียดค้าขายเดี๋ยวเราได้กําไรชีวิตเหมือนล้านหนึ่งมัวคุยไอ้ล้านหนึ่งขายเอาขายเอาจบในการติดล้านได้อะไรจะได้อะไรขอฝากท่านหลายไปคิดโดยทุนาการย้ายเสียเวลาอย่ามานั่งถามคนโ น, น้นคนนี้นว่านางได้อะไรจะเป็นยังไงลูกเธอเป็นยังไง แฟนเธอไปยังไงลูกฉันดีลูกฉัม่ดีอย่าพูดตัดออกไปได้ไหมอย่าเอามาปาลารบปลาลบตัวแองเกเอาอยาเาทุกจอนเข้ามาถมในหัวใจให้มันทุกเราถมขมขืนไปทําไมเล่าขอฝากนะักกรรมาฐานโดยทั่วนะาการในวันนี้วันนี้เป็นวันเส้นเดือนแะล้วขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยนะบัดนี้อย่าให้มันเพิ่มในความนั้น ให้มันตัดขาดรงไปเรียกความทั่วไหลสร้างแต่ความดีปีใหม่วันใหม่ในเวลาวันนี้เค้นหนึ่งในวันหนึ่งในเวลาวันนี้ท่านมาสร้างความดีหรือมาเพิ่มความทั่วสร้างตัวไม่หลอดอย่างไรอย่างนั้นตลอดแก้ไขปัญหาไม่ได้ช่ือขอฝากพี่น้องไว้สร้างความดีให้ดีตามสร้างความทั่วชั่วกระตามไปเดือดร้อนสร้างความดีดีนั่นกระตามไปถึงลูกหลานท่าน อยเย็นเป่งฉุกหยาบเห็นกับตัวเลยอย่ามักง่ายมักด่าจนเกินไปจงมีมักแปดอริยสตรีสิมมาจิปัญญามีกำหนดจิตสติสัมปชัญญะทุกเวลาอย่าประมาทอาจองค์ต่อสงครามชีวิตจะพลาดผิดในสังคมแล้วจะตายคืนนี้วันพรุ่งนี้ก็ไม่ทราอย่าประมาทสร้าความดีเสียในเวลาวันนี้โอทัญญามรณะสุเว นาฮีโนสารตะลังเตนากมหาเตเนนมัตตุนามัตตุล า, ากาลังฆ่าชีวิตแล้วไปแล้วอยาบละมาดอาจองค์สร้างความดีอติสางนั้นวาขเมยามะเป็นต้นรอสร้างความดีเดี๋ยวนี้อย่าพลาดวันะการพรุ่งไปสร้างวันพรุ่งนี้เลยจะเสีกใจต่อรายภายหลังนั่งกรรมาฐานกรรมนิมิตมันจะมาบอกนิมิตแห่งกรรมคือเครื่องหมาย มันจะบอกให้เราสาร้างที่เราสร้างความดีมามีความสุขสร้างความทั่วมามันมีความทุกข์เวทนาปวดเท้าปวแขนที่เราไปหักเขามาแล้วก็ปวดสมองที่ไปยิงหัวเข้ามาแล้วหัวใจก็ปวดรวเล่าทั่สกลา ก, ก, กายที่เราไปทำลายเข้ามาปาัดไปด้วยใช้เวรใช้กรรมเอาโหดเสกกรรมมาเจ้ากรรมในเวรเราจะไปหายไปด้วยสติปัฏฐานส แต่กรรมแต่ปัญหาเสี้บัดนี้อย่าไปสร้างเวรกรรมอีกต่อไปไท้ายนี้มันให้ายให้หมดไปคือนองทิลักสร้างความดีกับท้ายนีห้หมดไปอย่าสร้างใหม่เลยขอให้มีความสุขสมดบัติดีโดยทุนาการสุดท้ายนี้ก็โดนบันดาลให้ท่านด้วยอํานาจพระพุทธธรรมประสง์อำนาจบุญกุศล ส, สะกรรมฐานโดนบันดาลให้ทุกท่านจิตสงบ ดอนบรรดาลให้ท่านมีความสุขอากเจริสงบดอนบรรดาลให้ท่านมีปัญญาแก้ปัญหาในครอบครัวดอนบรรดาให้ท่านมีปัญญาศึกษาวิปาให้เป็นใหญ่ดอนบรรดาลให้ท่านรับกบารจัดการในหน้าที่มีหน้าที่การงานสะสวยงดงามประงานตาดุาจราชสือทองดุจใหญ่พระองค์โดยสอนมา โดยสิงฆมาธิปัญญารวยสวยดีก็โดยมั่งมีชีวิกโดยทุนาการจเจริญทำซ้ำมาปฏิบัติให้ถูกต้องความถูกต้องโดนบัณดาลให้ท่านประสบแต่ความถุกความเจริญโดยทุนาการและจงเจริญด้วยอายุวันนาสุขาพละปฏิพาณาสารสมบัตินึกื่อถึงประการใดผมความมุ่งมาตนาด้วยการทุกรูปทุกนามหนโอกาสบัดนี้เทิน